คารวะาผู้ไม่เสียดายล่วงระเมิดศีลห้าผู้ไม่เสียดายล่วงอบายมุกผู้ไม่เสียดายจะถืออยู่ยงคงกับพันผู้ไม่เสียดายอยากกะถือเรื่องดีงามดีผู้ไม่เสียดายอยากกะจองเวรท่านพระเอโปรดอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรเคยได้ทําเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปสักเข้ามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปสัเราจะไม่ถือสาใครเลยนั่นเรียกว่าวางเปลี่ยนเวนรวางไฟแล้วภูมิของพระโสดาวันคารวะา มีสินหน้าบริบูร์ไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสินห้าไม่ใช่ได้อยากจะถือศาตราอื่นเพราะเห็นแยบใครในใจแล้วแสงสว่างแหง่งตาปัญญามองเห็นแล้วมองเห็นสิ่งที่บานหน้าทางเจริญมองเห็นสิ่งที่บานหน้าทางเสื่อมแล้วมองเห็นสิ่งที่บ้านหน้าทางเจริญท่านก็ตั้งหน้าทําความเจริญไปไม่ถอยหลังไม่แวะซ้ายแวะขวา ไม่ไปกออกจากทางพระพุทธศาสนาไม่สงสัยเลยสิ้นความสงสัยในพระพุทธศาสนาเบื้องต้นก็สนุกปฏิบัติผู้ถึงพระโสดาวันเป็นผู้มีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเป็นผู้มีสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นผู้มีพรหมสมบัติเต็มภูมิเป็นผู้มีนิพพานสมบัติเต็มภูมิจะยืนเดินนั่งนอนลักตื่นจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่าก่อตามจะเดินตรงกลมอับ จนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ตามจะอดอาหารจนผุม <Yeah. S 1> ขมผุมขนผุ้มขุข่มขนหล่มก็ตามจะฉันเจฉันจาก็ตามถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้เสียดายอยากจะล่วงละเมิดอาวัยมุกทุกประเภทเสียดายอยากจะคบมิตรชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาถ้าเสียดายยังอยากจะคบมิตรชั่ว เชื่อยากจะถืออยู่ยงคงกรกับพันเชื่อดอยากจะถือเรื่องนยามนิยศาสตร์ต่างๆนานาเชียอไดอยากจะถือศาสตราอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาเชียอไดอยากจะค่าขายต้องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลนเนอร์สัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนําเมาค่าขายยาพิษการค้าขายหอย่างนี้ถ้า เสียดายอยากร่ำระเมิดอยู่ดังที่ว่ามาแล้วนั้นก็ไม่ใช่พระสุระสวรรมันถ้าไม่เสียดายอยากร่ำระเมิดในสิ่งที่ว่ามานี้แล้วก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่ไม่เสียดายร่ำระเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นเราไม่เสียดายอยากจะลงลุยหลุมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเพราะเห็นว่าอันนั้นเป็นทางวนทางลงหลุมฐานเพลิงเป็นเวรเป็นภัยจริงๆเห็นชัดอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรม ธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัชชะยาตาเป็นผู้รู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อันนี้คือภูมิของสุปัจจันโนเมื่อมีภูมิของปัจจุปัจจมันโนอยู่ในสติปัญญาของตนแล้วภูมิของสักาอนาคาอนหันก็อยู่ในอุ้งมือของสติอุ้งมือของปัญญาก็จะดําเนินไปสะดวกไม่ต้องสงสัย ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็สงสัยเป็นพุทธชนคนหนาขา้างพุทธกายพระสวัสดาบาลมีมากสร้างคารวดเมืองราชจะคือมีอยู่หนึ่งแสนกับหนึ่งหมืนคน1ิปเอละหุดชิเอละหุดละหุดหนึ่งมีหนึ่งหมื่นก็ถ้าคำว่าหนึ่งแสนกับหนึ่งมืนมากไปกว่า น, นั้นอีกเสียด้วยเมืองอื่นๆก็ยังไม่นับอกีกภูมิพระสวัสดาบาลเท่นั้นล่ะ เป็นผู้เห็นฝั่งพระเพปา์แต่ยังไม่ถึงแต่เห็นฝั่งพระเนพาลเป็นผู้เปิดประตูเข้าในวงของพระเนพานแล้วแต่ยังไม่ถึงศูนย์กลางแต่ยังไม่ถึงศูนย์ขอบแต่ยังไม่รอบครอบแต่เปิดประตูเข้าแล้วไม่ถอยหลังเลยไม่นึกสงสัยว่าจะถอยหลังไม่นึกสงสัยว่าจะแวะซ้ายแวะขวาไปถือรัที่อื่นจะบวชล้านพรรษาก็าตามถ้ายังสงสัยส่งเสริมอบ า, ายามุกอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดปฏิปันโน เหลือฝันอย่างนั้นเหลือฝันอย่างนี้ถ้า <c oughs> ยังสงสัยอย่างล่วงละเมิดชิ้นห้าถ้ายังสงสัยอยากก็ถือเลือดยามดีอยู่ไปตูลกตูยามไปให้คะแนนเลือกคะแนนยามถ้าตนทําดีก็ให้คะแนนเลือกก็ให้คะแนนเลือกยามให้คะแนนผู้ทํานดะีถ้าทำไม่ดีก็บุกผู้ทําดีผู้ผู้ทำไมดีนะั่น คือบุพเพสีด์บุกใจของตนนอกจากใจไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําชั่วให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะถือผิดนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะถูถูกจะถือถูกนอกจากใดก็ไม่นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะเป็นสัมมาทิฏฐินอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นอันเดียวกันใจมีคุณเป็นมหารแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําผิดบ่อยๆถ้าทําถูกบ่อยๆก็มีคุณเป็นมหาร จนถึงมรรคผลนิพพานถ้าทําพิษบ่อยๆก็ลงสูตนรกบ่อยๆจนถึงมหาวิจินรกทําดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกดินพระอากาศเลยจะเลือกดียามดีสักเพียงไหนกอดตามถ้าใจไม่ทําดีมันก็ไม่ดีถ้าใจไปทําชั่วก็ไม่ชั่วเลิกยามไม่ได้มาทําดีทำชั่วช่วยมีแต่ล่วงไปล่วงไปเท่านั้นถ้าว่าเลอกดียามดีที่นี่วันอุกาบาทวันโลกาเมนา ถ้าวันไหนเป็นโลกาเวน่าหรืออุ ก, กาบาทอย่างนี้เศรษฐีก็ต้องมาขอทานเสียก่อนพอถึงวันดีจึงไปเลี่ยนตำแหน่งเป็นเศรษฐีใช่ไหมร <c oughs> ิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทางนั้นครบพระพุทธศาสนาแตกแล้วก็ไม่ลำบากการปฏิบัติพระพุทธศาสนาสอนเนี่ยพวกเรามีแต่สิ่งดีๆท้งนั้นเปิดดูเวลาไหนก็ไ่บูตไม่เน่า ถึงจะเป็นของเก่ากว่าตาไม่บูดไม่เน่ามีแต่ร่างมือเปื้เท่านั้นจะได้น้อยได้มากก็เป็นเรื่องของผู้จะปฏิบัติไม่สงสัยเลยถ้าสงสัยว่าพุทธศาสนาอยู่การปฏิบัติพุทธศาสนามันก็ไม่ลงมันก็เดี๋ยวลัทธินั่นจะดีลัทธินี้จะดีมันก็รูปคำอยู่มันก็ถือตนถื อ, ถอตัวนะพุทธศาสนาอย่างว่าสกยัคติ ควมเห็นถ right. ือตนทือต <Maybe. S 1> ัวในพระพุทธศาสนาวิจิตรคิดหาพลังเลในพุทธศาสนาศีลธพรมตประมาทก็รูปคาคําสอนในพุทธศาสนาสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพเราก็ไม่หลงทางแต่ไปไม่ถึงก็ไม่หลงทางไม่นึกว่าจะแวะไปทางอื่นแวะไปจะต้องการแวะเล่นสมมุติว่าเราจะไปมุกดาหารเราเคยไปแล้วเราก็ไม่หลงทางถึงแม้ยังไม่ถึงมุกดาหารก็ตามเราก็ไม่หลงทางทางที่จะไปสู่พระเนพานเราก็ไม่หลงทางเหมือนกัน เพราะได้โวดาวปฏิมักโวดาวปฏิผลแล้วมักอืนอ่นผลอันอื่นที่ยังไม่เคยก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจเริญมากขึ้นเหตุนั่นควรให้มีในขันธะสันดาต่ากว่าสุปฏิปโนลงไปแล้วก็เรียกว่าตาบอดมาเรียนวิชาสนเข็มมันก็สนไม่ได้เราเป็นมีหลายทางบางทีก็โผลมาถึงสุปฏิปโนว่า บางทีก็วนอยู่ในนั่นบ้างเพราะยังมีหลายเพราะมีหลายบางทีพอถึงสุภจรปโนชุกใหญ่ะแล้วก็ดีมันก็มีบางทีเดียวก็จะไปถึงพระ涅槃ชาหรือเร็วกี่ชาติก็ตามยก่ชาติแปดชาติก็ตามสามชาติชาติเดียวก็ตามก็ไม่ถอยหลังก็มีหน้าที่จะถึงที่สุดเพราะไม่สงสัยในทาง คนเราจะทำอะไรก็ต้องมีคิวเหมือนกันคิวคือความฝาาชนาคือความประสงค์คือเจตนาคือความมุ่งทำอะไรไม่มุ่งหวังจุดหมายมันก็ไม่ถูกเพราะเราไม่ใช่คนเพี้ว่ายิงลูกสอนก็ต้องมีความหมายทำดีเรื่อยไปว่าอย่างนั้นทำดีเรื่อยไปไม่ต้องมีจุดด้วยเมื่อไม่มีจุดมันก็ไม่สาเร็จง่าย งานบางอย่างเราสามารถจะทำวันนี้ให้เสร็จมันกลายเป็นวันทุกข์นี้ไปก็มีใช่ไหมนะเราหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบั น, นชาติมันก็ผ่านจะไปถึงชาติศรีเมตไตรก็อาจเป็นได้ใช่ไหมเราหวังจะพ้นทุกข์ในศาสนาพัฒนา เ, เมตไตรมันก็จะไปพระเจ้าองค์อื่นอีกใช่ไหม <c oughs> ก็อาจเป็นได้บางท่านก็สมประสงบ้างไม่สมประสงบ้าง ปัจจุบันนักจิตปัจุบันธรรมอันใดที่หลุดพ้นไหมครับก็ไม่ได้เศษเรื่งรู้ทำเป็นจริงปฏิบัติทำเป็นจริงหลุดพ้นทำเป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเถิดปัจจุบันนักชาติก็คือปัจจบันนักจิตปัจวบันนักธรรมนันใปัจจุันพระสวสดอันปัจจุบันสกาคารีปัจจุันพระอนาคามีปัจจุบันพระหารปัจจุันพระปกจดปัจจุันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมียิ่งยอนกว่ากันปัจจุบันชาปัจจุบันราชสีก็มี ด้านภาวนาธรรมบรมศาสนาทรงสรรเสริญอาณาปณสติลมหายใจเข้าออกเพราะสามารถรวมกรรมฐานอื่นมาอยู่ได้สามารถรวมไตรซีขาลงมาอยู่ได้สามารถรวมฉินสมาธิปัญญากับไตริีขาว้อเดียวกันลมหายใจเข้าข้างออกเห็นโลกลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่ไม่ทําให้ต้องกลางเห็นโลกเราเห็นโลกโดยวิธีไหน ลมหายใจเข้าข้างหนึ่งหรือออกข้างหนึ่งเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมปชัญันอยู่ด้วยเว้นไว้ทำให้ต้องการได้ในรอบล้วนอนิจจังเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นรอบรอบหนึ่งแล้วเพราะโรคจะไปด้วยอนิจจังใช่หรือไม่เมื่อเห็นทุกข์ชัดก็เห็นโรคบรอบหนึ่งแล้วเพราะโรคจะไปด้วยทุกข์ใช่ไหมเมื่อเห็นอนัตตาชัดก็เห็นรอบรอหนึ่งแล้วเพราะโรคไม่อยู่ในอํานาจวาชนะของใครเกิดขึ้นแด้ก็แปลผลและเกิสลายนิมิตก็ดี นิมิตดินน้ำไฟลมก็ดีเราภาวนาเห็นนิมิตแสียงเดือนแสียงดาวก็ดีเห็นพระอาทิตย์ก็ดีเห็นเทวตรเทวดาอินทพมยมยักษ์ก็ดีเห็นอะไรก็ตามเห็นในที่นั้นมันก็แปรปวนในที่นั้นมันก็ดับในที่นั้นคืออนิจจงอันละเอียดใจหรือไม่เหตุจะนั่นจึงห้ามมาให้ติดอยู่นิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตเดิมที่ตั้งไว้เดี๋ยวก็ ไปติดนิมิตอื่นๆแล้วก็ลื่มนิมิตเดิมดืมอาจารย์เดิมแล้วก็มาตั้งกรรมฐานใหม่อีกใช่ไหมนั่นทีนี้ทำไมจึงสอนให้พิจารณาภาวนาปัจจุบันนังคือปัจจุบันนั้นมีทั้งศีลสมาธิปัญญากรมเกินกันอยู่แล้วไม่ต้องคว้าในอดีตอนาคตเอาปัจจุบันเป็นพยานอ่น เห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอนิจจังในปัจจุบันชัดอนิจจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นโลกในปัจจุบันชัดโลกอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยย่นโลกลงมาในปัจจุบันแล้วสัพโลกท่องปวงเป็นทุกเห็นในปัจจุบันชัดโลกอดีตโลกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยนิมิตทั้งหลายก็ตามนิมิตก็มีอยู่สองอย่างเคร่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปนิมิต เพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอารมูปนิม็ตกรรมฐานก็มีสองอย่างพิจารณารูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานพิจารณาอารูปเป็นอารมณ์เรียกอรูประกรรมฐานลูกกรรมฐานก็ดีอารมูปกรรมฐานก็ดีเกิดขึ้นได้ก็แปรปรวนแต่แปลายอยู่ใต้อำนาจอันจังทั้งนั้นต้องพิจารณาลงสู่ใจรักถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันความหลงของตนความหลงของตนคือหลงอะไรหลงว่าสิ่งนั้นนเป็นสุขสิ่งนี้เป็นสุขหลงว่าสิ่ง จะเป็นวกราธิฐานหลงอะไรหลงหนังหุมอยู่ได้รอบว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นของสุขว่าเป็นของตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามอ๋อถ้าไม่หลงสี่อย่างนี้แล้วก็ข้ามทะเลหลงไปในส่วนรูปขันแต่มันจะไปหลงน้ําหลงน้ําขันอีกทีนี้หลงรูปขันน้ําขันอ๋อพูดกันสองทีนี้หลงหนังหุ้มอยู่ได้รอบและหลงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถ้าไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วอ้าวทำชั้นสูงทำชั้นกลางอ้าวทำชั้นต้นอ้าวอดีตคืออะไรคือรูปกายนามกายที่ร่วงไปแล้วอนาคตคือรูปกายนามกายที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปกายนามกายที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือไตรลักษณ์ที่ร่วงไปแล้วอนาคตคือไตรลักษณ์ที่ยังไม่มาถึงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ร่วงไปแล้วยังไม่มาถึง ปัจจุบันคืออนิจจังทุกข er ังอนัตตาที่กำลังเป็นอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้อยู่คนละมุมโลกอยู่ที่แงเดียวกันข่ายกับหนังกับเนื้อเนี่ยมาอยู่แล้คนละมุมโลกนั่งกับเนื Jess ้อก็สัมพยุตกันอยู่ในคณะเดียวดินน้ำไฟลงก็เหมือนกันก็อยู่สัมพยุตอยู่ในคณะเดียวกันเราพิจารณาดินดินนึงจะมีเราพิจารณาน้ําน้ําจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณารมลมลมจึงจะมีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วเหตุนั้นจึงมันยัดตามของที่มีอยู่ ถ้าของไม่มีอยู่จะบัญญัติไม่ได้เหมือนกันบรรยัติว่าดินก็เพราะดินมีอยู่จึงบัญยัติได้บรรญัติว่าน้ำก็เพราะน้ามีอยู่ไฟลมก็เหมือนกันแต่ดินน้ําไฟลมมันก็ไม่รับไม่ปัดท่านเป็นผู้ฉลาดมาบัญญัติข้าพเจ้าว่าดินข้าขาพเจ้าก็จะใส่ชื่อเรือน้ําว่าดินดีใจว่าครับมันก็หมาว่าน้ำก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันจิตใจเป็นผู้บัญยัติ แต่เขาเนี่ยมันยัดตอบแทนตนว่าใจตนก็ใส่ซื่อตนว่าใจใจมันยัดว่าตามันยัดว่าหูมันยัดว่าจมูกมันยัติว่าลิ้นมันยัดว่ากายตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่ได้รับไม่ได้ปัดทีนี้ใจก็เอาโขนสวมหัวใส่ตัวว่าใจใจใจใจเขาไม่ได้บัญญัตดให้เออท่านบันญัิว่าข้าพระเจ้าว่าเป็นตาหูจมูกเลี้ยงกายแล้วข้าพรเจ้าจะตอบแทนท่านว่า จะบัญญัติใจให้ท่านเขาก็ไม่แน่ว่าแต่ใจไม่มีผู้บัญญัติใจตนก็บัญญัติตนว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจตอนไหนก็เป็นทุกข์เท่าใจตอนนั้นถูกไหมนนอกจากใจไม่มีอันไดจะรู้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะข้ามใจไปได้นอกจากใจก็ไม่มีอัน ไ, นจจ ไ, ไดน จ, จ, ไนไนจะรู้เท่าใจใจเท่านั้นจะรู้เท่าใจแต่รู้เท่าใจ โดยสิ้นเชิงใจก็รู้เท่าธรรมโดยสิ้นเชิงใจไม่หลงใจโดยสิ้นเชิงใจก็ไม่หลงธรรมโดยสิ้นเชิงใจก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วนั่นะย่นลงมาหาใจล่ะทีนี้เพราะมันออกไปจากใจก็ย่นงมาหาใจชีพูดมากเขามาออกไปจากใจพูดน้อยก็หานลงมาหาใจเดี๋ยวับโบหานหานลงมาหาใจครับ สิ่ก็เป็นตัวหนึ่งสมาธิก็เป็นตัวหนึ่งปัญญาก็เป็นตัวหนึ่งสักนี่สิ่ก็ตรัสสิ่ลงที่ใจสมาธิก็ตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญาก็รับรู้ในที่ใจสิ่ชเช่นไหนไหนก็ย้นลงมาที่ใจเหมือนกันสิ่งั้นพระสวสดาบันพระคาเมียนาคามีอรหันก็เหมือนกันก็ย้นลงมาทั้งใจสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็หลงถูกไหมหลงก็หลงใจเลยนี่หาเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้หลงใช่ไหมรู้ว่าเท่าใจโดยสิ้นเชิงก็รู้เท่าทําโดยสิ้นเชิง ไม่หลงใจโดยสิ้นเชิงก็ไม่หลงทำโดยสิ้นเชิงว่าข้ามทะเลใจไปสักข้ามก็ข้ามอยู่ทีนี้จะไปข้ามที่อื่นก็ขายฉี่ตายถูกไหมถ้าไม่ถูกก็คมเห็นให้ถูกใช่ไหมไม่ต้องสงสัยจะสงสัยทําไมใครจเป็นผู้สงสัยก็คือใจนั่นเองมันผู้สงสัยเห็นว่าพูดพัฒน์ประสงเห็นอยู่ที่ไหนถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจพระใจเป็นผู้หาถูกไหม ผู้ใดโกรธนะจะโกรน้อมขมาง่ายๆสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในที่ใจปัญญาก็รอบรู้อยู่ในที่ใจตรีสิกขาก็ลำลงที่ใจอธิศินสิกขาสิกขาคือศินยิ่งก็ยิ่งอยู่ที่ใจอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งก็ยิ่งอยู่ที่ใจอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือคือปัญญายิ่งก็รอบรู้อยู่ที่ใจนัพระรหันตายแล้วเอาใจไปไหมใจไม่ในบัญญัติว่าใจอีกแล้วพระรหันตายแล้วคําว่าตายหมายความว่าพูดให้เข้าใจง่าย คำพูดชั่วภาพเขเข้าครูอนุภาสิเสสานิพานใช้แทนคําว่าตายเพราะตายเป็นคำหยาบทาไมพูดคําหยาบเพื่อให้เข้าใจง่ายพระทหารสิ้นลมฟานแล้วแม่บรรยัตไว้ใจบรรยัตเพียงว่าทำอันไม่ตายธาตุอันไม่ตายขันอันไม่ตายคือวิมุตติขันธาตุอันไม่ตายคือวิมุตติธาตุ ถ้ามันไม่ตายคือวิมุตติธรรมจะมาบัญญัติว่าใจใจอีกมันก็ไม่ถูกเพราะมันเหลือวิสัยแล้วคือแก่กจะตายแล้วจะมาเรียกว่าคนหนูมันก็ไม่ถูกถูกไหมยยกมาทว่าทหารดินกระสิวที่พวกภาคอีสานเขาทำให้แหลกพานไปแล้วมีมาสมีขี้เกลือแล้วก็มีฐานตําไปแล้ว ท, ที่จุด แล้วม่ก็ไม่เห็นทานก็ไม่เห็นปับ๊บไปเลยก็เงียบเลยมีไม่ไ ม, ไม่มีเลยจะบัญญัติว่ามาดว่าดินกระสิวว่าฐานอยู่มันก็ไม่ถูกเพราะว่าแหลกรานไปหมดแล้วถูกไหมถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิ<ม>พระนิพพานไม่ได้ยืนยันว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ไม่ยืนยันไม่ได้ยืนยันสิ่งใดใดทั้งสิ้น เป็นเพียงเราสมมติใช่เฉยๆถ้าทํากันตนว่าเป็นศูนย์หรือศูนย์เป็นตนมันก็ไม่ใช่พญ่พาน อ, อีกเอ้าทำยอดสูงใช่ี่มอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแลว้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังไปอยู่นี่ทายอดสูงผู้รู้เนะี่ยอดีตก็ดีผู้รู้เนะี่อนาคตก็ดีผู้รู้เนะี่ปัจจุบันก็ดีใครเป็นเจ้าของก็เป็นได้สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเท่าเก่านั่นเอง ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยนั่นคือธรรมาอนัตตาอันสูงของพระนเพานใส่ไหมพระนิพาน์เป็นของใครพระนิพานอยู่ในวงแขนของใครพระนิพานไมาอยู่ในวงแขนของใครไม่มีใครไปจองไว้เหตุจากนั้นจึงว่าสเพชธรรมะอนัตตาหมายถึงพระนเพานด้วยวท่านก็บัญญัติว่าพระนิพานไม่ใช่อนัตตาอนัตตาแต่ขันเท่เวบาก สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์กิรบัญญัติก็เป็นอนัตตาได้สิ่งที่ไม่ที่สิ่งที่เที่ยงที่เป็นสุขแม่จะเป็นบัญญัติอนัตตาก็ไม่ถูกอะไะเอา้าเราก็ถามสอนเข้าไปว่าใครเป็นเจ้าของพระนิพพานเมื่อพระนิพพานไม่มีใครเป็นเจ้าของจองไว้พระนิพพานก็เป็นอนัตตาตามเดิมเราก็พูดอย่างนี้นีนะแล้วก็คาเท่านั้น <c oughs> ผู้ที่มีอายุสั้นเกิดมาก็เพราะเบียดเบียนสัตว์ ในชาติก่อนหรือในปัจจุบันในชาติก็อาจเป็นได้ผู้ที่มีอะไรมาเขาไม่เคารพเขารักสกจกห่ออยู่เสมอเสมอที่พรนสารพัดเราเคยล่วงละเมิดอธินาทานมาแต่ชาติก่อนมีบุตรเมียล้านมาเขาเอาไปทำอันไม่ดีไม่รด้ขคมขืนบ้ามีภรรยา ก, ก็ดีมีก็ดีมีสามีก็ดี เขาเอาไปร่วมประเวณีทั้งนั้นก็แต่คาดก่อนสร้างไว้แล้วเวนอันนี้เราสร้างไว้มีอะไรเขาก็มาต้มตุนหลอกลวงหลอกลืมยืมเงินบ้างหลอกอะไรต่ออะไรบ้างต้มตุนว้างมีแต่โกห ก, พ, กหพ้อกลมหาผู้ที่จะซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ก็เพราะแต่ชาิก่อนเราพูดหมสามากทีนี้ เกิดมาแล้วก็บ้าใบาเสียสจดิจผิดมนุษย์เป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคอะไรรักษาก็ไม่หายเพราะแต่ชาติก่อนเราเคยดื่มสุราทีนี่ลงปู่ไปดักเบ็ดที่นี่ไปดักเบ็ดนนก็นึกว่าจะเอาปลาแต่ว่าปลาไหลมาถูกเพราะทำสายมันลากดินไว้สายมันลากดินมันก็ชอบกินเนะี่ยปลาไหลได้ปลาไหลมาหลายตัว แต่ไม่ตั้งใจว่าจะดักเอาปลาไหลก็ดักเอาปลาธรรมดาแต่ปลาไรลมากินขนา ด, ม, ดมือมือก็มีตัวปลาไหล ม, มือเท่าก็มีธรรมดาปลาไรลกินต้องกืนลงท่องใช่ไหมต้องแวกเอาต้องแวกเอาจากปากลงมาท่องแต่พอมาถึงสองพันห้าร้อยสามสิบลวงปู่ก็เป็นโลกถุงน้าดีเป็นมิ้วที่นี่ตาเหลืง้งสิ ก็เข้าไปตรวจในโรงพยาบาลชีนคกเดียนขอนแก่นเขาก็เอาสายยางยัดลงนี่ก็อันเดียกันกับปลาไหลจินเบ็ดนะลงนี่น้องปูก็อ๋า อ, อย่างนี้เขาบอกว่าคืนคืนอย่างนั้นคืนยังไงคนอ้าปากอยู่มันจะคืนจะได้ไหมเพราะเขาเอาอะไรมาใสา่ี่ปากแล้วงับก็งับไม่ได้ไม่อแต่อายอย่างนี้นยัดลงนี่ ชั่วโมงหนึ่งจึงเสร็จเกือบตายที่กินกื น, นี่นี่เรากืนไม่ได้เราเอามือมาเขียนหมอนเนี่ยกืนไม่ได้เขาก็มาจับมือมาไปไ ม, ไม <c oughs> ทาที่นี้อีกกืนแล้วก็อ้าอย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งจึงเสร็จนั่นแหละเวนปลาไหลตัวนั่นแหะมันไปออกจอเขาเข า, เขายัดตรงนี้แล้วเขาฉายดูออกจอเขาเห็นกับชาดเอลูกเ อ, อ๋ยลานเ อ, อ๋ยเห็นกับชา ลูกปูนี่แหละยกตัวอย่างเห็นแล้วนูกปูเชื่อที่แท้ลูกปูไม่ต้องพูดอ้อคล้อมไปทางอื่นทีนี้อายุยี่สิบปียี่สิบเอ็ดปีตอนโคก็าบอกให้ไปช่วยมึงกำลังแรงมากเพราะมึงยังเป็นหนุ่มอยู่ให้มึงกับหมอพึ่งซึ่งเป็นกระหายกันไปช่วยพี่ว่า ก็ไปช่วยเขาเขาก็ช่วยเหมือนกันจับโคแล้วก็ผูกมัดให้เขาแคบพอหลวงพอมเนเอาเชือกยักขาของมันทั้งสองขาทั้งสี่ขาร่มลงแล้วก็ยักท ถ, ถึงสี่ขาผูกคดหมูลูกอันท่ายของมันก็ขนาดนี่เขาก็เอาคีมมานหีบงนี่ครับตอนมันที่นี่เอาเรียบมา ก๊กยกอย่างเนี่ยทานมันแล้วก็ยกยกให้มันอ่อนมันก็อนมันเจ็บมันปวดมันแล้วก็พูดร่อมันเล่นไอ้กิโลไอ้กิโลเขาจะแปลงลูกแปลงโฉมให้มึงให้มึงได้ขายออกถ้าไม่ตอนมึงมึงก็ผอมขายไม่ได้ราคาดีขายไม่ออกไอ้กิโลไอ้กิโลแปลงลูกแปลงโฉมให้มึงดอกให้มึงวอ้วนถ้าอย่างนั้นมึงก็ไปชนเขาไปขิดเขาไปติดตัวเมียมึงก็ผอม ถ้ะทักามเมืองซะถือไปของสนุกทีนี่หยบไปขอสนุกว่าให้มันทีนีตัวเดียวเท่านั้นได้ทีเลยเราไม่ได้ตอนหรอกเป็นเพียงจับช่วยเขาแต่พูดเยอะมันพอถึงสองพันห้ารอยี่สิบสองมันก็มาแปลงรูปแปลงสมให้เราซะสองพันห้ารยี่สิบสองมาแปลงรูปแปลงสมทำอยู่แต่อายุยี่สิบปี สองพันสี่รอเก็บเจห้ากันบัางพอมาถึงสองพัน้ารอยยิบสองมากดมาแปลงรูปแปลงชมบให้เราก็ยังคาอยู่เนี้ยนี่นี่นี่ใส่แคบขัดของงูไว้สมาทานไม่ผ่าไม่ตัดได้ไปนอนข้างคือในโรงพยาบาลด้วยและมีวิบากอีกลูกเอ๋ยร้านเอ๋ยไปเลี้ยงโคที่นี่ไปเลี้ยงโคหากบหากบได้ก็เหี่ยไปผูกเอวมัน ตายที่ไหนก็เพ่งกินที่นั่นอันนี้ก็ได้เอาเข็มขัดห้องงูมารัดเอวอยู่นี่นั่นเห็นไหม <c oughs> น่ะนี่นี่นี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเราจะไปเชื่อผีตัวไหนท่านไม่มีกิเลสล้าก็ยังไม่เชื่ออยู่แล้วจะไปเชื่อแต่พวกมีกิเลสหลอกลวงกินตับเรานั่นหรือ ท่านประสบการณมาแล้วไม่ใช่ท่านไม่มาประสบการท่านประสบการณ์มาหมดแล้วพวกเราเลียมก้างท่านเฉยๆประสบการณ์ทั้งทางชั่วและทา ง, ทา ง, ทางดีเหตุนั่นจึงจะมาสอนพวกเราเราก็พูดว่ามันเกิดมาเป็นอาหารของเรามันเขียนใส่หน้าผากไว้หรื อ, อยาง <laughs> ได้เขียนใส่หน้าผากาเราพูดเข้าข้างตัวใช่ไหม เห็นนั่นเห็นนั่นจึงเลยวางไปไว้ไหวเป็นชิคบดเบื้องต้นฟาณธิบาตเอ้าสมมุติผู้ฆ่าปลาได้ก็สามารถฆ่าไก่ได้ผู้ฆ่าไก่ได้ก็สามารถฆ่าหมูฆ่าหมาได้ถ้าฆ่าหมูฆ่าหมาได้ก็สามารถฆ่าโคฆ่ากระบือได้ฆ่าโคฆ่ากระบือได้ก็สามารถฆ่าคนได้ฆ่าคนได้ก็สามารถฆ่าคนมีศีลได้ ถ้าข้าคนมีศีลได้ก็ขาสามารถฆ่าภิกษุษสามเณรที่มีศีลไอ้อีกได้ก็สามารถฆ่าวินามดาได้ก็สามารถฆ่าพระหัน์ได้ก็ไฟลูกเดียวนั่นเองสามารถไล้บา้านนไอยเมืองใช่ไหมนั่นทีนี้เอาชิ้นห้าข้อมารวมข้อต้นเนอะมันข้ออธินาทานมันรักมากไปที่ไหนมันก็ขี้ก็ป่นมากเอามันไปฆ่าซะเนี่ก็มารวมข้อต้น การมีเสื้อเวชช้าจาย์ที่ ม, มันมันร่วงละเมิดเข้ามามันข่มขืนเข้ามาเอาไปฆ่าซากก็มารวมคอต้นอ๋อมุสามันพูดปดมากหลอกลวงให้ชิบหายก็มารวมคอต้นมุสามันพูดปดมากหลอกลวงให้ชิบหายก็มารวมคอต้นโซราดิ่ ม, มเมาม า, ากเจ้าจะพวกดื่มด้วยกันก็ฆ่ากันอยู่กับที่นั่นก็ได้นั่นก็มารวมคอต้นอีกเหตุฉะนั้นการฆ่าการแกงกิงวันหยัด เป็นวยเป็นศิขาบทหนึ่งถึงจะเป็นโจรผู้ไายสะเพียงไหนก็าตามเวรก็เห็นสนองกับชาติหลวงปู่ได้เห็นกับตาแล้วในสมัยในสมัยสงครามอินโดจีนคนคนนั้นเคยได้ฆ่านักโทษเคยได้ฆ่านักโทษนักโทษก็รัฐบาลเป็นคนจ้างสมัยรัชกาลที่หกไม่ใช่ตำรวจฆ่าเหมือนทุกวันนี้ สมัยราช ก, การที่หดหกนั่นจ้างคนธรรมดาค่าตำรวจไม่ได้ค่าทุกวันไม่เหมือนกันทุกวันเนยจ้างคนละสี่สิบบาทเป็นแปดิบบาทจ้างทั้งสองคนนั่นเองตัดหัวเขาแห่ออกไปตัดหัวที่ริมจังหวัดอุดรมันปนมันเป็นโจนปรปล้นเขาปล้นมาหลายครั้งแล้วก็เลย ตกหลงแห่รอบเมืองอยากกินอะไรก็ให้กินแกก็ไม่กินเอาออกมาเอาออกมาตัดคอทีนี้ก็จ้าคนตัดคอคนมันนอกล่ะตัดไม่ใช่นักตํารวจเอาดาบไลยตัดคอสองคนคนรัตศรีศรบาทศรีศรบาทเงินเหรียญไม่ใช่กระดาษเหมือนทุกวันเนี้คนหนึ่งผูกทิศลักไว้คนไปดูนับจํานวนพันผูกทิหลักไวยขนาด ไหลนี่แล้วให้หัวหัวพ้นขึ้นผูกติดลักอ้อยขนาดนี้ทั้งขาด้วยทั้งส่วนนี้ด้วยพวกที่เขาจะตัดเขาก็นุ่งกางเกงแดงเสื้อแดงเซื้อดาบคนละมือแล้วเขาก็เล่นลายเข้ามาเล่นลายเข้ามาตัดไม่ขาดค น, คนนั่งท้ามปาุ๊ดเลยเลือด คนสูงแต่ว่าคนหนึ่งตายหงก่อนแล้วแต่ยังเหลืออยู่คนหนึ่งที่นี่ตายหงแต่ก่อนแล้วคนหนึ่งยังเหลืออยู่คนหนึ่งชื่อว่านายพุ่งพอสงครามเอ็นโจีนมาแกนอนอยู่ที่ต้นมะม่วงที่ใก ล, ใกล้ใกล้เรือนของแกนั่นเองเวลานั้นเป็นฤดูหนาวบ้าแกก็พิงไฟอยู่บ้านริบบี่ริบบี่เขาก็ทิ้งตามกองไฟเนอะ ทิ้งตามสายแสงไปตอนรุ่งเช้าตูเช้ามืดเข้ามาแล้วระหว่างตีสามตีสี 4, ่นี่เข้ามาระหว่างตีสี่ตีสามนี่เข้ามาเข้ามาทิ้งลูกระเบิดตัดหัวแกเลยขาดเลยอแกก็เคยตัดคอนักโทษในปฏิวัตินั่นเองนั่นก็นักโทษแค่ทําไมเขาก็เป็นโทษแท่ทาไมจึงเป็นโทษถึงอย่างนั้นก็น่าจะผ่อนปลนเอา้า พระองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้ากัตตปะหรือข้างพระเจ้าองค์ไหนแต่องค์ก่อนยึดดําบันมาแกเคยเป็นลือสีแกก็ซักไม่เท่าเข้าไปในป่าไปหนองน้ําแห้งนี่แห่งหนึ่งแกไปซักถึกถูกหัวกบหัวกบตายคาที่ไม่เท่าไม่เท่าปลายเขามันเป็นเหล็กแต่ท่านก็ไม่รู้จักนี่ชี้ดว้วยไม่รู้จักว่ากบตาย พออยู่มาถึงศาสนาพะระธโดมของเราท่านไปเดินจงกลมที่ใกล้ริมทางเขาซัดหอกเข้าไปเขาจะทุ่งหอกเข้ารถกกมันมีมาแต่นั้นเขาซัดหอกเข้าไปโดยไม่เจตนาเขาไปถูกท่านท่านก็ตายท่านก็คานคานเดินคานเดินจงกลมถอดหอกออกแล้วเอาใบไม่อุดพิจารณากองทุกท่านก็สําเร็จพระนอยู่มาอยู่มาก็ได้ทราบข่าวถึงพระบรมศาสรา ใครก็บอกว่าเหตุไม่สมผลเหตุไม่สมผลพระบรมศสราสนามันสมผลสิพระแต่ชาก่อนท่านทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยงดังที่อธิบายไปแล้วนั่ น, นอันข้าไม่มีเกีตนาเลยมันก็ยังปภาษากบมันก็ยังตามมานะ อ, อ, อีเพออีแม่เ อ, นะอ๋ยมันมีหมดนิทานในพระพุทธศาสนาเป็นนิทานจริงไม่ใช่นิยาย นม่เคยตายด้วยกันมาหลายพบหลายชาติแล้วท่านก็แสดงอย่างนั้นถ้าพระบรมศาสดายังอยู่เรืออยู่ก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นในวัดของพระบรมศาสดานั่นเองเมืองสาวัตถีน่ะพระบรมศาสดาอยู่ในกุฏิวิหารคนมารักษาศีลอยู่ในตอนกลางคืนคนหนึ่งพอดึกดื่นแล้วภาวนาหยุดแล้วใครก็นอนใครนอนมันเลย เขามาเอาคนคนหนึ่งผู้ชายเขามาเอาผ้ายัดปากแล้วเขาก็มาจับมากุมหามออกไปพวกอูนั่นก็นอนก โ, นโกนครกคริคลกคลกอยู่ไม่เห็นอยู่ในวัดป่าของพระบรม ศ, รรศราสดานั่นเองวัดเทศตะวันมหาวิหารก็คือวัดป่านั่นเองเทีนี้เขาไปฆ่าที่ริมวัด ต, ตายเลย พอตื่นเช้ามาก็พวกจำศีลก็มาเห็นเออไม่สมเหตุสมผลเมื่อคืนนี้ก็ภาวนาอยู่ด้วยกันทำไมจึงเป็นอย่างนี้มารักษาศีลไม่สมเหตุสมผลจริงๆความได้ทราบถึงพระบ ร, รมศารน า, าพระบระมศาสน า, า, าก็เลยลงไปพวกเธอพูดอะไรกันพูดเรื่องนั่นแหละพระเจ้าข้ามันไม่สมเหตุสมผลมันสมเหตุสมผลสิ พวกนั่นกูทีมึงทีฆ่ากันมาจนถึงแสนชาตินี่แล้วไว้ข้างล่างฆ่ากันมาจนถึงแสนชาตินี้แล้วมันก็สมเหตุสมผลสิพวกพี่น้องไม่รู้จักเหมือนเราทถาขดดอกพระมุทธศาสนานี่นี่เป็นอย่างนี้เลยนี่ถ้าท่านหากว่าท่านยังอยู่ท่านจะทํานายหลวงปู่ก็อาจเป็นได้นะอีตาอันนี้ ก็ไม่มีแต่ชาตินี้นะหลายหลายชาติแล้วมันเคยไปทํากับโคจะ่าอย่างนี้ก็หลัเป็นได้พระพุทธศาสนาจะพูดให้ย่อก็ได้จะพูดให้แสดนก็ได้ถ้าพูดแต่ย่อๆศาสนาก็เสื่อมถ้าพูดพิสดารมากไม่ย่อมาก็ไม่ได้เชือกเช่นนั้นน่ะไม่ขึงยาวให้เขาเห็นแล้วไม่โค้งมาให้เขาเห็นมันก็ศาสนาเสื่อมท่านพูดอย่างนั้นพระพุทธศาสนา ก็ อ, อธิบายยาวว่าอธิบายสั้นบ้างสลับกันไปมันจึงสมเหตุสมผลท่านว่ามีแต่ย่อรนล้วนก็คือผู้ว่าผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วอันนั้น่พูดยอด่อพูดยอด่อสําหรับยอ่อกขาผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วเป็นแต่สักวา่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็นเน้อครับพอแล้วนะอันรเขาแก่กล้ามาแล้วนะแต่พวกเราประทะประมะมีบทเป็นอย่างยิ่งแต่พวกเราดอกบัวอยู่เสมอน้ําหรือพ้นหน้านิดหน่อยอมันก็ต้องทำอย่างนั้นอันนั้นพ้นจะบานแล้วนะ สองบาทคาถาก็ไปเลยอนั่นนั่นโอสถังอุตมังวลางยาของพระพุทธศาสนาเป็นโอสะยาโอสดทำให้คนสังเวชสลดจิตในสิ่งที่ตนทำผิดใครๆก็เหมือนกันถ้าสังเวชสลดจิตในสิ่งที่ตนทำผิดแล้วมันก็ไม่มีใครบอกให้ละมันละเองทีนี้เราลงไป ภูเก็ตพังงากับหลวงปู่เทศวันหนึ่งเราวินทบาดกับองค์ท่านไปไปโคกคลอยได้หลายวันแล้วแต่เวลาเรานึกจะไปทางนากลางกับเพื่อนคนอื่นเราไม่ได้ขออนุญาตญาติท่านเรารักไปเลยเราไปกับเพื่อนทีนี้เราไปมาแล้วเราก็นึกร้อนใจที่นี้องค์ท่านก็ไม่ได้ดุได้ด่าอะไรทีนี้เราเข้าไปกราบท่านองค์หลวงปู่ กับผมทําผิดแล้วผิดอะไรท่านปู่อรับพอบินธาบาทอยู่กับครูบาอาจารย์ดีๆองค์หลวง ป, ปู่ดีๆนึกอยากจะไปทางบ้านนากลางก็ไปกับเพื่อนไม่ได้ลาเลยแม่คําเดียวก็ไม่ได้บอกจนได้ถามว่าท่านลาไปบินธาบาททางไหนอย่างนี้มันก็เป็นความผิดของกับผมกับผมผิดแล้วเรื่องร้อนใจแล้วเดี๋ยวนี้เออ ให้มันเห็นอย่างนั้นนะมันจริงดีคนเห็นความผิดของตนเองอย่างนั้นอ่ะมันจริงมันจึงลงมันก็จริงจะเป็นนักบาศท่านพูดอย่างเงให้คนอื่นติให้มันก็ยังไม่เป็นนักบาศเห็นเองอย่างนั้นอ่ะมันดีท่านก็เลยแล้วให้เป็นบาศดอกคุณเห็นเองแล้วเดือดรอดอะารอย่างงั้นเพราะองค์ลุงปู่ในเวลานั้นไม่ใช่องค์ลุงปู่เพราะท่านอาจารย์อรอย่างเพราะท่านอาจารย์ไม่ดู ก็ยิ่งเดือดร้อนเออมันเห็นโทษอย่างนั้นมันมันจึงถูกทําโพูดอย่างนั้นสิ่งไหนที่เห็นโทษตนเองสิ่งนั้นเป็นมหานักป่าคนพาลเมื่อเขาเห็นโทษเขาเขาเองแล้วเขาเป็นนักป่าแล้วพราบรมาศาลาสอนอย่างนั้นผู้ใดเป็นคนพาลยิ่งเมรับปฏิเสธว่าตนเป็นผู้ทําผิดคนนั้นจะทําผิดอันนี้ปริยายเรียกว่าคนคนพอกพูณพอกพูณ พกพูนพานให้บวกขึ้นบุคคลผู้เห็นความผิดของตนเขาเป็นนักป่าชญแล้วพระบรมศาสนาเขากลับมาเป็นนักปราชนักปราชแล้วไม่ใช่หมื่นหนึ่งหกหมืนริมไปแล้วก็เข้าใจว่าหมื่นหนึ่งหกหมื่ะราคาราคาราคาเห็ราคาอวนราคาหกหมื่นเอาไปเผาไฟทิง้งแต่เขาก็ไม่รวยเท่าไหร่เพอได้อยู่ได้กินนั่นเองไม่ใช่เขารวยมากทั้งร้อยล้านพันล้าน เขาพอได้อยู่ได้กินนั่นเองแต่เขาใจถึงทีนี้เรามาอยู่นี้เรามาอยู่นี้ได้สามิบหกได้สามสิบเ็ดปีนี้เราเอาคำสอนพระพุทธศาสนามาสอนเขาเขาเป็นพระสวดาวันหนึ่งสองสามสี่ห้าล่วงรับไปหมดแล้ว เขาไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเมื่อเล่นโบกเล่นเบี้ยไม่ได้ไปเล่นบัตรเล่นเบอร์ไม่ส่งเสริมอบายมุขเลยเขาร่วงไปหมดแล้วล้วเอาคำสอนพระพุทธศาสนามาสอนต่ัวตัวเราไปถึงไหนอันนั้นยกไหวเสียก่อนเขาเดินังกรมภาวนาเขาภาวนาถ้าวันไหนไม่ได้พิจิตพิจนาธรรมะเขาถือว่าเขาประมาท <c oughs> คนชั่วเขามาจากคนดี คนดีก็มาจากคนชั่วพระบรมศาสดาก็มาจากพุทธชนคนานนั่นเองแม้พระบรมศาสดาเกิดเป็นนกคุ้มไฟป่าไม่มาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยซัไฟป่าไหม่มาไฟเอ๋ยนกคุ้มแปลเป็นภาษาไทยเลยศีลมีอยู่ในโลกความสัตว์ก็มีอยู่ในโลกนกคุ้มตัวนั้นนึกถึง สัจจะก็มีอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้ไฟจะไม่มาแล้ววิดามารดาของเราไปหาอาหารปีของเราก็มีอยู่ขาของเราก็มีอยู่แต่บินไม่ได้แต่เดินไม่ได้ดูก่อนเปลวไฟท่านจงหลีกไปทีนี้ลมก็พัดไปทางอื่นเปลวไฟก็หลีกไปชิพกีดชิพกีดจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเพราะเป็นภาษามคต ก็เลยไฟก็เลยมาไห ม, มเรียกว่าคาถาคาถ า, า, ถานกคุ้มแต่เราเอาไมาใช่อยู่ทุกวันเนี่ยเ้าเราเกรงว่าไฟจะไหม้ป่าปีนี้ปลอดภัยไปตื่นขึ้นมาลุงปูก็ต้องสวดอันนี้เสยก่อนจึงลงไปบินทบาตนึกกับก๊าบม่วบเสียก่อนจึงไปบินธบาตในบาลีบอกว่าอัธิโลเกศิรคโนสัตจังโสเจ้น สัจเจยานุาเทตนั้นสัจเจนักข้ามิสัจจะจีรรมนุตรังอาวัชิตัวธรรมะรังสัติตัวพระเุจ้าเนีสัจพระมวัตสัยสัจียิริยะมกาสังสันติปะขาอปัจจนาสันติปาราอวันชนะมาตาพิตาจานิขันตามาดาเบดาไปหาอาหารชาติเวทัปปิกรมะสหาสัจเจกเตไมหังมหาปชานิตโตสิขีวัชเชสีสุรัสสากลายิสาณิวตังประตัวยถ า, าสิขีสัจเจนมสมุนติเอสัจพระมิต นี่เป็นสัจจะบารมีของพระบรมศาสลาใช่ชาติเป็นนกคุ้มเป็นบารมีบำเพ็ญสัจจะบารมีขับตำนานก็มีอยู่ตัวเรนตัมโบที่สัมภารีนิพพตังวัตชาเทียงยังย ะ, ะเตเชนะทามกิมหาสตังวิวัตชิเทระสะสารีปุตรตะโลกราเถนะพายเถังกับปัทถายมหาเจชังปริจตันตัมพนามิเทศให้ภาษาดีบุตรฟัง เทระสะสารีปุตรตสะโรกนาเถนะพาจิตตังพระสมานเถุติเจ้าเป็นพระโลกนาฏพาจิตว่ากับปถายมหาเจคังอนุญาตไว้กลับหนึ่งปาริสตันตจมพนามเหตเจ้าทั้งหลายจงสวดพระปริสอันนั้นเถิดเราพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันเราเกรงว่าไฟจะไหม้กุฏิอีกเหมือนกันไฟจะช็อตไหม้กุฏิมันดนดานปีนี้ไฟไม่ไหม้ป่าเลยทุกปีนี่เป็นทุกเลเกินปีนี้ยังไม่ไหม้มา แล้วพวกนั้นก็รักษาดีอยู่เหมือนกันอธิโลเกที่นัก โ, โนอดบรรดาลไฟพัดไปทางอื่นลมพัดไปทางอื่นอีกเหมือนกันอันนี้ก็น่าอัจจรนท์เหมือนกันเนอคําสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยเช็ดคมจะแค่สนใจสนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปวงสนใจจะออกจากการฆ่าตัดสนใจในความไม่พยาบาทในความไม่เบียดเบียนเรียกว่าสมานสังกปะดําริชอบ ดำริในจะออกจากกรามแล้วแมเป็นพยาบาทไม่เบียดเบียนนี่กำลังดำริ น, <c oughs> นี่นี่น่ะตอนเงางก๊กงกๆๆๆ <c oughs> ทําหัวงกกงกเอสนใจอะที่นี่ <c oughs> สนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปวงเป็นห่วงบุตรธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบทพอเพระมรมาศตาราเป็นห่วงพระราหุลเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกเราพูดว่าก็จริงแต่ว่าเราไม่ขาดทุน ถ้าพระธนังธรรมะธนังชีนาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่ชอบให้ทําเป็นทานสิ่งที่ไม่เป็นบาปว่าเป็นบาปสิ่งที่ไม่มาเป็นบุญว่าเป็นบุญไปเทศเป็นปลาตะเพียนทองอยู่ในแม่น้ำเมเจอร์วดีนี่ปากเหม็นแล้วก็เก่งจะเป็นปากเหม็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่อยากพูดเว้นเว้แต่เราไม่รู้ ถ้าผู้เห็นชัดมันก็พิจารณาอันหนึ่งมันก็ถูกทั้งหมดเลยถ้าผู้ไม่เห็นชัดก็ต้องเรียงแบบบ้างถ้าผู้เห็นชัดแล้วขนาดจิตเดียวเห็นรวมกันเลยเมื่อเห็นรูปก็เห็นเวทนาด้วยก็เห็นสัญญาสังขารวิญญาณด้วยไม่นจะไม่ต้องการเพราะมันไม่สงสัย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 จะอา น, นิจจังตั้งแต่รูปขันนาำขันก็มีหน้าที่ด้วยเข้าใจเช่นนี้เพราะเหตุใดพระเคยชำนาญเข้าใจหน้าที่นี้เราพิจารณารูปรูปจึงจะมีเราพิจารณาเวทนาเวทนาจึงจะมีเราพิจารณาสัญญาความจําความจําจึงจะมีเราพิจารณาสังขารความปรุงแต่งขึ้น สังขารจึงจะมีเราพูดอยู่อย่างนี้มันก็เป็นวิจิสังขารแล้วใช่ไหมเป็นจิตตสังขารสัมพยสกันอยู่อีกด้วยเป็นกายสังขารสัมพยสกันอยู่ด้วยเพราะมีทั้งลมหายใจเข้าออกเห็นชัดตัดความสงสัยเห็นปัจจุบันชัดอดีตอนาคตก่อชัดเหมือนกันเห็นอนิจจังในปัจจุบันชัด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 สิ่งไหนที่เกิดเร็วสิ่งนั้นก็ดับเร็วก็มีทุกสัมพยุตอยู่นั่นด้วยไม่ใช่เราเขาสัตบุคคลสัมพยุตอยู่ในทีนนนน่นั่นๆด้วยนี่วิปัสสนาธุระคือธุระทางปัญญาสมาธิธุระก็ตั้งมั่นอยู่ในอันเดียวกันสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสัมพยุตกันอยู่จะแยกกันไม่ได้สติ ก็ดีสติความลเลือกได้สัมปชัญญะกับความรู้ตัวอยู่ในคณะเดียวไม่มีอในก่อนในหลังเขาชิดความสงสัยนะทีนี้ของปรฏตกูลก็เป็นไตรักอยู่ในตัวแล้ว พระไม่มีใครเป็นเจ้าของปฏิกูลเพราะการปฏิกูลไม่ได้อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดการปฏิกูลก็มีรูปขันน่ะปฏิกูลรูปขันก็ขันในไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนเราเพิจารณาเห็นมันก็เป็นเรื่องของเราเห็นไอท้ทีแท้มันไม่ลงธรรมะเลยความเกิดขึ้นแปรดับก็ไม่ลงธรรมาเลยความเปื่อยเน่าก็ไม่ลงธรรมาเลย เป็นขณะจิตที่เราสมมุติหลังฉากต่างหากอาจิแ ท, ท่สิ่งเรานั้นจริงอยู่แล้วไม่มีกลางวันกลางคืนสังขารก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระนิพพานก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคื น, น, น, น, น, คนเป็นเพียงเราสมมุติว่าเราเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เฉยๆอจิแท่เราไม่เห็นก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนต้องรู้รอบตัวอย่างนั้นจึงจะสิ้นความสงสัยถูกไหม <laughs> ท่านมาหาอาธิบายคุณมาหาอาธิบายดูดถูกไหมถ้าไม่ถู ก, กอธิบายอีกเห็นตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงอยู่ในตัวพ้นความสงสัยตามเป็นจริงอยู่ในตัวด้วยสิ่งไหนที่พ้นความสงสัยแล้วไม่คืนมาสงสัยอีกเห็นเช่นเห็นเห็นอ น, นิจจังชัดในปัจจุบันก็ไม่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 ถ้าสงสัยก็สงสัยอยู่ที่ใจไม่ได้ไปสงสัยที่อื่นถ้าเส้นความสงสัยก็สงเส้นความสงสัยไม่เป็นตอนตอนอยู่ที่ใจไม่ได้เส้นความสงสัยอยู่ที่อันอื่นถ้าแม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงโวหารตอนนั้นก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นใชาใจเป็นสักแปสักป้ายใจไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของจะเห็นเวลาไหนก็อันเก่านั่นเอง นัดเทีโอเคแล้วหัวหนาถมว่าความรับไม่มีในโลกรับที่ไหนก็ใจเป็นผู้เห็นสติปัญญาเป็นผู้เห็นไม่มีในโลกเกิดแปรดับก็ไม่ก็ไม่รับเปื่อยเน่าก็ไม่รับดินน้ําไฟลมที่เราสมมุติใช่ว่าดินน้ําไฟลมมันก็ไม่รับมันก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางนแต่มันไม่ปฏิเสธหรือไม่รับไม่ปัดว่ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเราสมมุติใช้มัน ม, ม, งง ม, ม, ม, มันก็ไม่เย่อหยิ่งจองหองเราไม่สมมุติให้มันมันก็ไม่เย่อหยิ่งจองหองแต่เราสมมุติให้เพื่อรู้จักความหมายกันเฉยเฉยสมมุติใครเป็นเจ้าของวิมุติใครเป็นเจ้าของสังขารใครเป็นเจ้าของนิพพานใครเป็นเจ้าขอ ง, ของก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงอยู่ไม่มีในกลางวันกลางคืนจะสมมุติรหรือไม่สมมุติก็จริงอยู่ยถาภูตังสมมติปัญญาครับ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 ขอให้รู้ตามเป็นจริงเฉยๆถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็จะสงสัยเพราะทำทั้งปวงไม่ได้มาสงสัยกิเลสกิเลสไปสงสัยต า, าความหลงไปสงสัยต า, าถูกหรือไม่บัญญัติว่าตนเป็นใจใจแล้วก็มาหลงตนบัญญัติตนบัญญัติตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ มาหลงตาหูจมูกเลี้ยกายใจใกายก็เป็นเรื่องของใจไปหลงถ้าใจไม่หลงจะให้ผีตัวไหนไปหลงถ้าใจมีสติปัญญาฉลาดเหนือตนใจก็ไม่หลงก็ชนะกันอยู่ณนะที่เมืองใจถ้าหลงก็หลงกันอยู่ที่เมืองใจถ้าไม่หลงก็ไม่หลงกันอยู่ที่เมืองใจถ้าชนะกันก็ชนะอยู่ไม่อยู่ที่เมืองใจเมื่อได้ชนะอยู่ที่เมืองตาหูจมูกเลี้ยงกายใช่หรือไม่ยศลงไปหนึ่งแล้ว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 ถ้าพูดน้อยมันก็มีน้อยถ้าทําให้มากมันก็มากออกไปจากใจถ้าทําให้น้อยก็น้อยลงมาหายไใจลใช่ไหมแต่พูดแล้วกระดุกเลยไม่ใช่ดุรอกถ้าไม่พูดดังมนก็มัได้เย็นเราหูหนวกแล้วไม่ค่อยจะเย็นเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงอะไรต่อเสียงอะไรเหมือน จ, อจิ้งหรีดร้องอยู่ในกลางวันกลางคืน <c oughs> เว ล, ลาคาวอยาติเร่งรักแล้วมนปฏิบัติออย่างไรบ้างนันงนรบเมื่อเราคิดถึงท่านเราก็ทำบุญอุทิศท่านมีสิ่งเดียวเท่านั้นถ้านึกถึงก็ทาบุญอุทิศหาผูกระเพาะตาปีทาบุญอุ ท, ทิศให้ผู้ตาย